ไอ้ความรู้สึกตรเนี้ถ้าเราบอกว่าไอ้ความรู้สึกเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นกระบวนการของความรักเมือ่อรักเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามีรักสองอย่างรักด้วยด้วยความต้องการอยากจะให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาบม ล, ลุบำเลเรามาตอบสนองอ า, าตราตัวตัวนี้ความรักเกินใหญ่ก็จะเป็นไปรักส น, น, นิท ทีนี้กระแสความคิดของคนสองคนที่มามาเกี่ยวพันกันก็ต้องบอกว่าชีวิตคนหนูเนี่ยต้องบอกว่ายาวนานแล้วก็ถ้ามองกันให้ชัดก็คือว่าหนูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองมากคำว่าซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองมากาเมื่อตอนเองได้ปลงใจรักใครแล้วก็ ทั้งๆเจอเหตุการณ์อะไรมากมายนี่ที่มาเกี่ยวพันหนูมีคนมาเข้ามาในชีวิตหนูมีอยู่แต่หนูก็มีทงอยู่ว่าไม่เปลี่ยนเพาเราเพราะเรามีสติเพราะเราได้พบกับคนนี้ตั้งใจกับคนนี้แล้วหนูเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยนี่ความไม่สึกของหนูผู้ชาย ในในในความความความที่ของผู้ชายเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่บ้างไม่ใช่ไม่เป็นแต่เมื่อเขาได้ไปเห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วบวกกับว่าเมื่อมาคุยกันแล้วเนี่ยในความรู้สึกสุขหรือว่ามีความสุขอย่างเดิมมันหายมันรักกันนะไม่ใช่ไม่รักแต่เวลามาเห็นหน้ากันมาคุยกันมาทํากิจกรรมําร่วมกันทีไรแล้ว ไอความสุขอย่างที่เคยอยากจะให้มันมีมันไม่มีกั้งมันผิดหวังตรงนี้กันมาตลอดเพราะอยู่เนี่ยมันก็อดคิดถึงเงินไม่ได้แต่เวลามาอยู่ด้วยกันทีไรแล้วมันก็ไม่สมเงินก็ไม่สมหวังสักทีหรือมันได้แต่มันก็ไม่ได้เต็มเต็มขีดตามที่ตนเองพอใจหรืออยากที่จะให้มันเป็นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วที่พนานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อย เหนื่อยจากต่อการที่อยากจะเดินด้วยกันมันก็เลยตั้งข้อตกลงว่าหยุดสักพักก่อนเลยมั้ง ย, ยังไม่ถึงขนาดว่าต้องเลิกกันหนูหนูเบรกแบบนี้นอยากจะ ห, หยุดสักพักอ ย, า, อยากจะกลับมาดูตัวเราเองทำนองอย่างแต่กรณีแบบเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นมันมีเหตุปัจจัยว่าพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วหยุดหยอกหยังไม่ฟังไม่สออูก ทีนี้พอมาแล้วเนี่ยพอมันเ ร, มเริ่มเริ่มออกมาอย่างนี้ตั้งหลายครั้งนะความรู้สึกพอยความรู้สึกโดยเฉพาะช่วงนี้เลยแล้วมันออกแล้วพอมันออกแล้วเนี่ยแต่ความรักมันไม่ออกมันออกเพียงแค่ว่าตัวแค่นั้นเองแต่ความรักมันไม่ยอมออกมาด้วยไอจะกลับเข้าไปก็เข้าไม่ได้เหตุที่เข้าไม่ได้เนะเพราะว่าไอความมันติดล่องความคิด ไปความคิดของเราที่บล็อกเขาไว้แล้วพอแล้วไม่ไม่เอาอีกแล้วด้วยความที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความิแต่ก่อนก็เป็นแบบนั้นว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเดินไปกับเขาแต่ต่อมาเนี่ยมันถอยออกมาบอกไม่เอาแล้วเขาเพียรพยายามแรกๆที่อยากจะกลับมาสมานใหม่เราเราอยากจะไปก็ไปไม่ได้ พอเราก็ติดล่องความคิดเราหรอกว่าเราพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วมันไม่ใช่ไม่รักเนะี่ยมันรักนั่นแหละแต่มันไม่รู้จะไปกันยังไงที่จะให้มันได้ความสุขนี่นี่เข้าใจถูกนั่นนี่นี่คือประเด็นอย่างเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยจึงจ้อยอมจมอยู่กับความรู้สึกแบบนี้บางคนถึงขนาดทั้งชาติเลยจมอยู่อย่างนีน้ให้ไปอยู่กับเขาอยู่ไม่ได้ และในะภาพปัจจุบันและพฤติกรรมแบบนี้ฉันอยู่ไม่ได้แต่ฉันอยากอยู่กับเขาในคนที่มินอดีตอดีตดีๆที่เคยทำํำหนูต้องการอยากให้คนคนนั้นเนี่ยมันกลับมาใหม่ซึ่งคนคนนั้นนี่ยไม่มีอยู่แล้วมันอยู่เพียงแค่ในความสิทแต่คนนั้นหายไปแล้วอดีตเหล่านั้นหายไปแล้วจางไปแล้วหมดไปแล้ว มันหนูหนูยังเป็นทุก อ, อยู่กับการไม่สามารถฟื้นตัวตนของคนคนนั้นน่ะซึ่งเป็นตัวตนที่เราแฮปปี้เราโอเคมากที่สุดเราอยากให้คนคนนั้นมันกลับมาแล้วก็มาจับมือกันร่วมเดิ น, นปัญญาปัญหาปัญหาไปตลอดแล้วตอนนี้หนูเรียกร้องตัวนั้นคนนั้นอีกแต่หนูหนูมองไปแล้วหนูไม่เห็นเขาไม่เห็นคนนั้นอยู่เลยตอนนี้ เวลาคุยไม่รู้หนูคุยกับใครก็ไม่รู้มันเหมือนไม่ใช่คนนั้นเรียบร้อยไปแล้วนี่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในใจสนะ่วนผู้ชายยังไม่ได้ไม่ไม่เคยวิเคราะห์ก่อนี่ยแต่ตอนเนี้ยหนูเป็นอย่างนี้อยูหนูยังไม่สามารถที่จะไปบอกวนะ่าไอ้คนนั้นมันหายไปไนะหนไอ้คนที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันเข้าใจกันมีปัญหาอะไรคุยกัน แล้วก็เอื้ออาทรดอกกันเอื้อคูลกันยามเรามีปัญหาคุยกันได้ยามจะไปไหนไปเพื่อนได้ยา ม, มีอะไรทั้งหลายเนี่ยป้องกันภัยอันตรายกัน ไ, ได้ทั้งหลายเป็นต้นเหงอะเนี้ยไอ้ไอ้คนคนนั้นะมันหายไปแล้วก็แต่มันยังอยู่ในความรู้สึกและเราก็ยังมีความต้องการว่าต้องการคนนี้แต่ไม่ใช่ต้องการคนนี้มันเป็นเหมือน คนนี้เราไม่ต้องการคนที่มีทัศนะแบบนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องการคนมีสภาพจิตใจแบบนี้เราไม่ต้องการคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เราไม่แต่เราต้องการคนที่มีบุคลิกภาพแบบเดิมๆสภาพจิตใจแบบเดิมๆทัศนะมุมมองความคิดแบบเดิมๆหนูหนูทักทิ้งต้องการคนแต่หนูหาเขาไม่เจอคนคนนั้นยังไม่รู้อยู่ทั้ง แต่ก่อนเนะี่ยมันหาได้ในร่างของคนคนนี้ใช่ัหมแต่ตอนนี้มันไม่ถู่มีนี่คือปัญหามีปัญหาในใจที่หีูเป็นอยตอนนี้แสดงกลับมารู้สิว่าหนูตั้งสมมุติฐานดูว่าหนูคิดว่าคนคนนั้นในอดีตเขาจะกลับมาได้หรือตั้งปฏิสทธิที่หนึ่ง เขาจะกลับมาถ้าเขาและถ้าสมมุติว่าคิดว่าคนคนเนี้เขาเขามีบุคลิกภาพแบบใหม่แล้วทัศนะมุมมองแบบใหม่แล้วจะภาพจิตใจแบบใหม่ไปแล้วเพราะอาศัยที่เขาได้เหยุปัจจัยใหม่เหมือนปลาแต่ก่อนมันอยู่ในน้ำํำมันก็ศักยาภาพออกมาความรู้ความเข้าใจมันก็อยู่แต่ตอนนี้ มันมันนยิ่งมาเลยแล้วมันไปได้น้ํา่ะสิ่งแวดล้อ ม, มใหม่ใช่ครับไอปลาตัวนี้มันมันไม่เหมือนปลาตัวเดิมห น, นูคิดว่าถ้าจับปลาตัวนั้นมาอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆคิดว่าเขาจะเป็นตาเขาอยากอยากเขาอยากจะอยู่เขาไม่อยากจะย้ยนั่นเีคือความกริงนี่คือความกริง ความเห็นของเราเรายากจะคืน ก, กลับมาจะเชื่อไหมกลับมาจับอยู่ด้วยกันแต่หนูก็จะไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นเหตุผลเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนคือคือความคิดของหนูทับทิมไม่เปลี่ยนตามสถานการณ์ คือคือเข้าใจเข้าใจสภาพความคิดอยูคือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเร็วหนูอยากให้มันถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มันค่อยเป็นไปจริงๆถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีเขียวแต่ความจริงเนี่ยคือมันเปลี่ยนแล้วเร็วการที่เรา นูความเห็นของหนูไม่ต้องการมันเปลี่ยนเร็วแต่ความจริงมันเปลี่ยนเร็วตอนนี้มันฝืนกันกระแสกองความจรงิงกับกระแสเป็นความรหรือกระแสเป็ความต้องการของหนูมั น, ป น, ปนไปไปไปประทันจังแรงเลยพอเป็นพักปุความจริงมันเปลี่ยนความต้องการคืออะไทีนี้พอประท่ากันแล้วความจริงมันชนะความต้องการแพ บีบคั้นกดหนูก็ใช้วิธีการเมื่อคุยกับเพื่นอนคนนั้นี่นี้อะไรแนีมันก็เพียงแค่ได้ระ บ, บายแต่ยังไม่ได้ไปการเจาะข้อมือลด้วยด้วยพัฒนาข้อมูลความรู้แล้วก็ความจริงมันเป็นอย่างนีน้คือบางครั้งเนี่ยเจอความจริงมันก็เจ็บปวดนะแค่าบางที บางครั้งเราก็มันกอยากไปรู้เนี่ยหลายหลายคนหลายคนกลายเป็นคนหลบหลบหลบหน้าไม่กล้าไปคุยเพราะเชื่อถืครับเพราะว่ามันเรารับไม่ได้รับไม่ได้ถ้าเขาจะไปชื่นชมคนอื่นเขาจะไปเห็นคนดีกว่าเราทั้งที่เราทำเราพิจารณาตัวเราเองแล้วเนี่ยเราไม่มีข้อบอกพรองอะไรเลยแต่เขาตอนนี้เขากลับไปเชื่นช่มใครก็มีซึ่งเขา โอหนูต้องมองอย่างนี้ประการที่หนึ่งหนูต้องเปิดใจขึ้นมารับรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วและหนูต้องตั้งความรู้สึกให้ดีอย่างนี้ว่าถ้าเขาเจอคนที่ดีกว่าดีกว่าถดะดีกว่าในความคิดของเขาแต่เขาจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าไ ม, ไม่ไม่เกี่ยแต่เขา ทัศนามุมมองของเขาถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าไม่ว่าจะด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านทัศนะความเห็นหรือสภาพอะไรก็แล้วองแต่มันดีว่าเราต้องบอกว่า เ, เขาเพราะเราลักเขาก็ต้องปลากกหน่ะว่า เ, เมื่อคนคนนี้ทำความสุขให้เขาได้ ดูต้องมองว่ารักคือให้คนะือให้มากกว่าที่จะเอาถ้าเอาแล้วไม่ถูกต้องการดึงข้ามาหาเราถ้าหนูวางได้ดีตั้งใจว่าเอาแล้วเราเสกเราให้เพราะว่าเราลัก <c oughs> เมื่อคนที่เรารักเนี่ยได้สิ่งที่ดีกว่าทำให้เขามีความสุขทำให้เขาสมบัติ ทาให้เขาได้รักความมัรเทงใจสุดอย่างสบายใจเขาจะได้มีพลัในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อสู้ปัญหาชีวิตและเขาจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็เจอสิ่งที่ดีหนูต้องหนูต้องเปิดตรงนี้เพราะว่าถ้าเขามาอยู่กับเราชีวิตเขาควรจะมีพลังมากกว่านี้ควรจะมีศักยภาพมากกว่านี้ควรจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ เขาไม่อยู่กับเราเขาเครียดเาวิตกกังวลเขากุ้มเขาอะไรก็แล้วแต่ไ ป, ไปมาเรากับกายเป็นตัวกั้นความสำเร็จของเขาถ้ามองอย่างนี้หนูจะได้โอเคเหมือนกันถ้าเขามาอยู่กับเราศักยภาพของเราเนี่ยต้องเยอะแยะเนี่ยมันควรจะประสบความสำเร็จแต่ก็กลายเป็นตัวกัน้น กั้นความสุขที่เราควรได้รับกั้นความสำเร็จที่เราควรเข้าถึงกั้นความล่าเริงความเบิกบานคุณภาพชีวิตที่ดีๆของเราก็ถูกปิดกัน้น ท, ทั้งที่มันรักนี่แหละถ้ามันรักกันแล้วเนี่ยแต่มันกลกายเป็นตัวเส้นกัน้นหรือเป็นตัวกำแพงขวางความสำเร็จทั้งคู่ความรักมันก็ไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่แล้วและถ้าเราจะทุก เราจะเสียใจเนี่ยเราก็ตั้งหลักว่าฉันขอเสียใจครั้งเดียวผมแล้วต่อไปฉันจะไ ม, ไม่ไม่ไม่กลับมาต้องมาล้องหรือมาเสียใจกันเรื่องแบบนี้โอเควันเนี้ฉันยังพัฒนาข้อมูลความรู้ความปัญญาไม่เพียงพอฉันจะเสียใจกับมันแต่ฉันจะตั้งหลักไว้นะว่าต่อไปฉันจะไม่เสียใจเพราะฉันได้ให้ได้สละหรือได้ทาสิ่งที่ควรเพราะว่า ถ้าเราจะหยุดยื้อสิ่งที่มันจะบปวดทุกข์ลังเพราะชีวิตมันมันอยู่แค่นี้ไม่ได้ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปทีนี้การที่ชีวิตที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยถ้าถามบอกว่าแล้วเราเลยเราต้องดําเนินคนเดียวเราต้องดําเนินชีวิตคนเดียวเราไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนเขาเขายังไปเกาะคนนั้นไปได้อย่างเงี้ยโลกไม่เป็นเลย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าฉันจะพัฒนาปัญญาฉันจะเดินคู่ไปกับปัญญาให้ปัญญาเป็นตัวชําระนําทางชีวิตปัญญาเนี่ยจะทําให้ฉันไม่เดินชนช้าชนชั่ชนคว่ำ้าไม่ได้เห็นใจตอนนี้ฉันจะอยู่กับปัญญาอยู่กับข้อมูลอยู่กับความรู้ให้ปัญญาเป็นเป็นเครื่องนําทางความคิดคือจะไม่คิดวนหลูถ้าปัญญาไม่นําจิตจิตมันก็ ไปไม่ได้มันก็ตันมันก็ขัดท่านมันก็ทุกข์แล้วมันก็ออกมาด้วยการที่อาจจะล้อหรืออะไรก็ไล้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางเดยจิตไม่มีทางเดียวเหมือนถ้าเราพูดแล้วไม่มีปัญญานํามันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเวลาจะพูดกับเขาแต่ละครั้งไม่รู้จะพูดอะไรคือคือในใจมันมีอยู่มันเหมือนมีอะไรล็อกเขอยากจะบอกเขาอะว่าทําไมคุณทําเรื่องแย่ๆแบบนี้ ที่ฉันทําแบบเนี้ยฉันต้องการให้คุณเนี่ยปรับตัวเองแล้วมาง้อไม่ใช่ต้องการให้คุณเตลิดไปครบคนอื่นแต่คุณทําทําไมเนี่ยเข้าใจยังไอ้เจ้านี้มันก็ไม่รู้จริงจริงที่เราเบรกตัวออกมาเราไม่ได้บอกเลิกมันเดินลงนะเราต้องการบอกเดี๋ยวมาดูกันเองแล้วปรับตรงตัวเองแล้วเดินกันต่อไปเราต้องการตรงนี้ไอเจ้านี้ฟังไม่ได้ความมันกลับไปครบคนอื่นมันก็แก้ปัญหาผิดพลาด มันไม่เคยทบทวนสิ่งที่มันทําเราพยายามอยากจะทบทวนว่าอะไรที่ไม่ดีเราจะแก้ไขจะปรับปรุงแล้วเราอยากลุกขึ้นมาจับมือเดินไปกับมันต่อจริงๆหนูอยากเป็นแบบนั้นแต่ไอ้เจ้านี้ยมันไม่คิดอย่างเราคิดมันไปคิดว่าโอเคฉันจะลองพบคนใหม่ดูดูถ้ามันไม่ได้ต่อไปอาจจะมาทะเลาหน่อยคือหนูไม่อยากเป็นตัวสํารองอย่างนั้นเข้าใจไหมคุณไปทําทําไมอย่างนั้นน่ย ประสบะการณ์มันไม่ใช่ทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้น <c oughs> แต่ปัญญาต่างหากมันทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้นมันไม่เข้าใจประเด็ดนนี้ก็มันไม่เคยมีข้อมูลที่มันชัดแต่ก็ต้องเข้าใจและก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาด้วยด้วยอะไรคําว่าเข้าใจมันต้องเข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าใจว่าทำทำไมวะมันทําอย่างนี้ทําไมและฉันทาอย่างนั้นบ้างไง มันปวดคุณปวดร้าวจิตใจไหมฉันจะควงใครสักคนนี้ให้คุณรู้มันก็ตีพวยตีพายยังจริงๆแต่เราไม่อยากจะทําเราไม่อยากเอาตัวไปเสี่ยงเราเรามีมาตรฐานไงหนูเป็นคนนี้มาตรฐานโดยเองนะเราก็อยากให้ไอ้เจ้าเนี้ยมันมีมาตรฐานมาัางเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเ อ, อพักกันสักพักหนึง่งแล้วก็ทบทวนโดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครได้หม่ ถ้ากลับมาใหม่เราก็จะรับมันไม่ได้ไเลยแบบกรณีอย่างนี้เลยนนี่คือมาตรฐานที่หนูตั้งไว้ด้วยซึ่งเห็นไหมว่าการคิดว่าสิ่งอยากให้สิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากมันเป็นแต่จริงๆมันไม่เป็นหนูต้องปรับความเข้าใจแบยว่าฉันจะมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น แต่ฉันจะไม่มองด้วยใจแต่ฉันจะเอาปัญญาเข้าไปมอง <c oughs> ถ้าเอาใจเข้าไปมองปุไปละบ ม, มันจะกลับเข้ามาไป้างว่ามันเป็นมันเป็นปัญหานอกตัวมันเป็นพฤติกรรมแต่ถ้าเรามองด้วยใจเราจะเอาใจไปดูดเอาความทุกข์เอาความเปลี่ยนแปลงข้นอก เอาความที่ไม่เข้าท่าข้างนอกเอามาใส่ใแล้วลมันก็ปุงแต่กลายรก็กลายเป็นใช้ความสามารถผิดก็กลายเป็นครุงแต่งทุกปรุงแต่งความเล่าร้อนรงแต่งความกระวกระวายปุงแต่งความหดหู่แล้วก็ไปมผิดศักยภาพที่เราควรจะได้ก็ถูถกติดกั้นอยู่นั้นตรงเนี้จะไม่ใช้คําว่า ต่อไปเราจะมองด้วยสัญญาแล้วก็รู้แล้วเข้าใจว่าเมื่อเขามีพฤติกรรมอย่างไรมีสภาพจิตใจยอย่างไรเรารู้ดีว่าเขาก็ทุกเขาก็หงอยเหงาเขากว้าวิ่งแต่เขาแก้ทุกข์ด้วยวิธีการอยากหาใครก็คนหนึ่งมาเติมเต็มให้เขาแล้วก็คิดว่าการกระทําอย่างนี้มันมันถูกสำหรับเขาเคิด เมื่อคุณคิดอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นคุณเข้าใจว่ า, าการจะทำอย่างนั้นจะช่ยวยผออ่อนคลายความทุกเขาต้องวิธีแก้ความทุกข์ของคนทั่วไปก็คือเมื่อเขาได้ความสุขใหม่เขาก็ลืมความสุขเก่าที่เคยมีสุขแล้วเมื่อเขาได้ทุกข์ใหม่ทับถมเขาเขาก็ลืมความทุกข์เก่าที่เราเคยทุกขร่วมกัน เราต้องเข้าใจในบรรดาคนที่มีกําลังปัญญาไม่ถึงมันจะเป็นแบบนี้สุขใหม่มันก็ทับถมสุขเก่าทุกข์ใหม่มันก็ทับถมทุกข์เก่าแล้วมันก็คิดไม่ออกว่าจะจัดการยังไงมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆยามสุขก็ลืมเนื้อลืมตัวสุขจริงวัวใหสุขจริงวัวดีใจยามทุกข์ก็บ่นเพอะว่าทุกข์จริงวัวทุกข์จริงวัวจะเป็นแบบ น, น, นั้นี้เราต้องเข้าใจก่อน ปดาปดาสัตว์โลกทั้งหลายมันเปลี่ยนนี่เราก็เห็นแล้วว่าเขาแก้ปัญหาว่าเมื่อเขาทุกข์เขาสแสวงหาความสุขแต่ก่อนเขาเคยสุขร่วมสุขกับเรามีความสุขจา่การได้พูดคุยกับเราได้ไปไหนมาเราไหนกับเราได้ไปเที่ยวกับเราเขาก็เปลี่ยนโดยการหาผู้หญิงคนใดคนหนึ่งมาคู่เขาเขาก็คิดจะหาสุขใหม่เขาไปนนต้องเ ข, าเขา้าใจ นั้นก็คือการดิ้นหลนของเขาที่ต้องการออกจากความทุกข์แต่อย่างหนูหนูได้โอกาสมาก่าแทนที่หนูจะไปดิ้นล่นหาความสุขแบบนั้นแต่หนูกลับมาดิ้นล่นว่าเอาละเราจะออกจากความคิดวนลูกระการให้ปัญญานำนาความสิดเมื่อให้ปัญญานาความคิด เ, เสร็จพุ๊บถ้าปัญญามา ข้อมูลมาฟวาจิงมาปุ๊บปัญญาก็จะนำไม่เรากลับไปมองมองมดดึงเรื่องอดีตดึงเรื่องอดีตเราสามารถดึงไม่ได้ดึงเรื่องเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาแต่ต้องใช้สติเข้าไปดึงดึงเรื่องราวนี้มาให้ปัญญาด้วยว่าเราเคยกระทำอะไรบ้วง อะไรผิดอะไรถูกอะไรที่ดีอะไรที่ค ด, ดแก้พิจารณาแต่อย่า อ, อย่าอยาวนกลับเข้าไปอยู่กับกับความรู้สึกแต่ให้อยู่กับความรู้มันจะมีสองส่วนด้านความรู้สึกมันจะชอบใจกับไม่ชอบใจถ้าด้านความรู้มันจะอยู่เหนือความรู้สึกไปมองแล้วศึกษาอะไรเป็นจุดด้อยที่เป็นเหตุให้การขัดแย้งอะไรเป็นจุดเด่น ที่เป็นเหตุทำให้อยู่แล้วมันได้ไปอันนี้มันเป็นประสบะการณ์ชีวิต อ, อันนี้เป็นบทเรียนเป็นประสบะการณ์ที่มันเป็นกาไรชีวิตที่เราได้เอาปัญญาไปตรวจสอบไปวิจัยไปเรื่ยๆพอเราได้ตรงนี้บบเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมาสร้างปัจุบัตนเหตุ<อ>ก็มาพิจารณาหนูเยอย่ไปตั้งหลักว่า ไม่เอาต่อไปเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับใครจะไม่เข้าใครอีอกเพราะมันเป็นแบบนี้อย่าไปตั้งความรู้สึกอย่างนั้นแต่ให้ตั้งว่าเหตุปัจจัยที่เราสั่งสมกันมากับคนบางคนมันหมดแล้วเป็นเรื่องปกติเหมือนแม่สร้างเหตุปัจจัยกับพ่อมาเขาหมดพ่อสร้างเหตุปัจจัยมาแม่ถึงเวาลาหนึ่งมันหมดก็คือหมด จะให้กลับเข้าไปใหม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เว้นไว้แต่ว่ามีข้อตกลงร่วมกันยังไงมันสามารถทำได้บางคนก็ทำได้อันนั้นก็ต้องอยู่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็เหมือนกันหนูก็ตั้งความเข้าใจไว้ว่าเราไม่ปิด ก, กั้นความคิดแต่เราถ้าเราเจอสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าแล้วก็มันโอเคกว่าเราก็มีต้องเลือกสิ่งที่มันดีกว่าเหมือนเขาเขามั่นใจว่า สิ่งที่เขาเลือกมันดีกว่าโอเคกว่าเข า, เ, เ, เขาก็เลือกก็เป็นสิทธิที่เขาควรเลือกก็ะถุต้องยินดีกับเขาวางท่าทีใจใจก็บอกว่าเออก็บอกเขาว่าจะจะเอาละแน่ดีทั้งหลายเราจะกลับไปถ้าเราจะทุกข์ก็ขอทุกข์แค่ถ้าเลยวันนี้ไปฉันฉันจะไม่ให้ความทุกข์มามาเกอกใจฉันแลนะ้วเนี่ยบอกกันมาเลยบอกความรู้สึกไม่ดี บอกความหดหูท้อถอยบอกความท้อแทะบอกความลักบอกอะไรก็แด้แตว่าฉันจะทุกข์แค่นี้เพราะว่าชีวิตฉันต้องดําเนินต่อสิ่งดีๆมีอีกเยอะฉันต้องฝึกตัวเองฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องเข้มแข็งด้วยกําลังหนึ่งจิตฉันต้องได้คุณภาพจะต้องมีทั้งเมตตากรุณาหนึ่งเมตตาละกาถนาดี สองกรุณาตนเองด้วยสองการุารณาตัวบุคคลอื่นบุคคลที่เกี่ยวข้องก็กรุณาเขาการุณาเขาถ้าเขามาอยู่กับเราแล้วก็จะต้องทุกข์แล้วกรุณาตัวเองถ้าเราจะต้องมาอยู่กับเขาด้วยความทุกข์เหมือนกันก็ต้องกรุณาว่าเองเราควรจะออกจากทุกข์ตรงนี้แล้วพอยินดีกับเขาถ้าเขาเจอสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็วางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหว ต่อการที่เขาจะทําในเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดีไม่ไปหวั่นไหวเมื่อเขาทาเรื่องไม่ดีก็จะไม่ทุกข์ทำเรื่องดีเราก็จะไม่ไปไปคล้อยตามเราจะไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทํามีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมินทาสารเสร่อมสุขทุกข์สมหวังผิดหวังฉจะไม่หวั่นไหวฉัจะวางใจเป็นการที่ทําให้จิตได้คุณภาพสองก็คือให้ได้สมรถภาพหนึ่งนีคือ มีความเชื่อมั่นตรงนี้ต้องต้องต้องให้ความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะฟันฝ่าหรือเดินออกจากมันตรงนี้มีความกล้าหนูต้องกล้ากล้าเดินออกจากความทุกข์กล้าเดินออกจากความเจ็บปวดกล้าเดินออกจากความคิดติดหลงตรงนี้กล้าที่จะไม่ให้ความคิดเดิมๆที่มันมาทำร like ้ายชีวิตจิตใจเรากลับเข้ามาใหม่ก็คือสมาทานว่า นับตั้งแต่วันนี้ฉันให้เวลาเองวันนี้เลยวันนี้ไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่ให้ความทุกข์แบบเดิมๆมันไหลเข้ามาสิดใจทุกๆสมาทาให้ถุดเข้มแข็งและฉันจะไม่รับทุกข์ใหม่บาปใหม่อคุศใหม่เข้ามาเช่นเราได้ยินข่าวเขาประสบ ด, ดีหรือไม่ดีฉันจะไม่หยิบเอาเรื่องนั้นเข้ามาใส่ใจให้ฉันต้องทุกข์หรือต้องโทรมาน้ติดต่อไปแต่ฉันจะโภมใจดีใจที่ก็าได้สุผิดเอง ฉันจะทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นความดีใหม่กุศลใหม่ยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็จะรักษาความดีรักษากุศลทากุศลนั้นให้เจริญไปบุญจะแก้วกล้าอาถารเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเป็นเหมือนเวทีทดสอบความฉันจะเดินออกจากมันและจะเข้าถึงสิ่งที่ทดีให้มีความเชื่อมั่นอยและมีสติไม่หลงไม่ปล่อยใจเผอพุ้บไปหักทิ้ เราจะตั้งสติตไว้ถ้าจะคิดก็คิดด้วยส ต, ติดึงข้อมูลมาเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมาดึงมาให้ปัญญาิจเกิดต่อทุกเรื่องดึงมาได้ถ้าไม่ดึงก็ปิดเราจะเป็นคนที่ว่าจะรู้เรื่องอะไรต้องการทราบเรื่องอะไรก็ดึงเรื่องนั้นมาจะเข้าเรื่องเมื่อเมื่อปิดแล้วก็เหมือนปิดลิ้นชักจะไม่เปิดเลยอยากจะเปิดก็เปิดดูได้ตลอดโดยชฉพาที่เรามีสติตแับวเปันแย่ไม่ไม่หลงไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลง ไม่ง่อนเงี้ยนไม่คลอนแคนไม่หวันไวในปัจจุบันไม่หวันไวต่อสถานการณ์ใดๆและจะมีความสดทนทนต่อความลำบากทนต่อความหลากา ค, ความเเราจะไม่ให้ความเจ็บแกบเราจะไม่ ส, ส, สระทบกระันต่อสิ่แล้วก็มีกำลังของสมาธิคือความตั้งมั่นแห่จงจิตมีคือได้ทั้งคุณภาพสมรธถภาพและเราจะ เราจะมีความสุขทุกขั้นตอนในชีวิตสุขจากการได้ทําสิ่งที่ดีๆสุขจากการได้ทํางานได้เกื้อกูลได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะทําความสุขทําปราโมทย์ปิติทําสุขสมนะเราจะคิดให้ใจเราอยู่กับความสุขความสุขกับการที่เราไม่ต้อง เ, ออเราตัดสินใจได้เลยเราไม่ปล่อยมันปัญหามันยืดเยื้อ ถ้าหนูปล่อยปัญหานี้ไปจนถึงอายุสี่สิบหูย่เลยเสียเลยมันกลับลำไม่ทันมันมันช้ามากนั่นถือว่าเราได้ได้ตัดสินใจได้ได้ถูกและได้เร็วพอสมควรนนถึงแม้ว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นเพราะอาการที่เราเราไม่อยากมันเปลี่ยนแปลงเราพยายามประคองมันมาสุดฤทธิ์เรแล้ว ไม่ใช่เราไม่ประคองก็ปกคองมาตลอดพยายามอาศัยเราไม่อยากให้ให้ให้ใครรู้ว่าเราเปลีป่ยนแปลงและใจเราก็ไม่ชอบการเปลีป่ยนแปลงเราก็พยายามปะคองอดทนมาตลอดถ้าหนูถ้าพิจารณาไปแล้วเนี่ยได้บรรดาเพื่อนๆ เ, เ, เนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าหนูเป็นคนที่อดทนใช่ไหมเพราะหนูต้องการรักษาภาพ นั้นต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนนลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอ ส, สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องไปรกักษาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะไม่ใช่ไม่ดีถ้าการเปลี่ยนแปลงถําเปลี่ยนแปลงแล้วแย่ลงเนี่ยอันนี้ไม่ดีฉะ น, นั้นถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราจะิดเราจะสร้างเหตุปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนามันดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่ามันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง เราก็พัฒนาเอาตรงเนี้ยเป็นโอกาสพัฒนาให้เป็นฐานขึ้นก็คือยังไงยังไงเราก็ได้ประโยชน์หนึ่งได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพและ <c oughs> ได้ความสุขที่ด้านจิตใจประการต่อมาคือว่าเมื่อจิตใจแข็งแรงจิตใจตั้งมั่นแล้วจิตใจได้ความสุขระดับหนึ่งสิ่งที่หนูต้องทําก็คือข้อมูลความรู้ความเห็นกับความรู้เราเห็นว่าคนเป็นอย่างนี้ แต่ความจริงคือมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะฝึกปัญญาของเราให้รู้ความจริงความจริงมันเป็นยังไงแค่ไหนอย่างไรเราจะรู้ความจริงการรู้ความจริงมันเกื้อกูลต่อเราจะเอาประโยชน์จากความจริงได้หนึ่งแก้ไขสถานการณ์ทันสองก็คือปรับปรุงแก้ไขตนเองเนะี่ยให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้แล้วก็จะสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดไม่มองแบบกว้างๆมัวๆหรือมองมุมใดมุมหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งต่อไปมันจะมองอะไรรอบ มองอะไรชัดมองอะไรลึกมองได้โดยทุกแง่ทุกมุมจิต ใ, ใจมันจะโปร่อองโลาฉะั้นเราจะมองแบบประเภทที่เปิดตามองเปิดใจมองและให้ปัญญาเขาปเปิดตามสาภาพของปัญญาที่เขาเปิดถ้าหนูตั้งหลักอย่างนี้ได้ ห, หนูปลอดภัยทีนี้พอปลอดภัยเบเติดก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราพร้อมที่จะมองรอบตัวเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพที่กันโดยชนิดที่ว่ามองด้วยด้วยความรู้ไม่ใช่มองแค่วความรู้สึกเลยไม่ใช่เอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะมองด้วยความรู้มองเห็นความจริงใครเข้ามาเนี่ยฟิสแล้วก็พิจารณาเกิดแต่เต็มที่แล้วเราก็จะมีประสบาการณ์สิบหกปีเนี่ยเป็นประสบาการณ์ที่หนูอยู่กับเข้ามาแล้วก็เห็นทั้ง มุมดีมุมไม่ดีมุมเสียมุมอะไรต่างๆแล้วแต่ผมวนไอ้ตรงนี้เป็นประสบการณถามว่าเสียเสียเวล า, วลาไม่ได้ไหมเป็นประโยชน์ไหมถ้าหนูเอาปัญญาไปวิจัยแยกแยะได้ดีโดยเฉพาะก็คือประโยชน์ที่ได้มากที่สุดก็คือประโยชน์ก็คือการได้เข้าใจความจริงได้วางท่าทีทาง้งๆได้ถูกต้องและเราก็ต่อไปหนูก็เป็นคนที่จะได้ไม่กลัวการเปลียดแปลง มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเข้าใจถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหนูแก้ไขได้เพราะหนูรู้ทันก็ ร, รู้ทันก็ไปแก้ไขที่สุดหนูเห็นปัญหาปุ๊บที่เป็นมาในวันนี้หนูเริ่มรู้แล้วเหตุมันม า, าไา้มันมาจากการที่ บางครั้งเอาแต่ใจตัวเองทั้งสองฝ่ายบางครั้งไม่คุยกันบางครั้งติดบางกันบางครั้งที่กระทําอะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็จะเริ่เ ม, หมเห็นอ๋อตัวปัญหาไม่มีสิทธที่มันมาจนกลายเป็นชีวิตกระแสะชีวิตสองคนมือนเดินไปตลอทางมันมันเป็นตัวปัญหาในการเดินออกไปตลอทางแต่เขตมันมีถ้าก่อนหน้านั้นถ้าเรารู้ว่า ถ้ากระทำอย่างนี้มันจะเป็นเหตุเห็นการทําให้เราเดินหน่ อ, อ ก, กันมันจะไม่ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ตรงเนี้พอเราได้ประสบะการณ์ได้กระบวนการความคิดรู้กระบวนการเหตุปัจจัยที่จะทําให้มนุษย์เดินไปด้วยกันได้ดีมีสุขกับการที่จะเป็นเหตุทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีปัญหาชีวิเราได้ตรงนี้ต่อไปเราก็ไม่สร้างเหตุทั้งความแตกแักหรือเหตุเห็ความ้งบทเรียนบางอย่าง บทเรียนที่เราเจอเนี่ยหรือแทบทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเราไปเข้าใจความจริงเราจะเอาประโยชน์แต่เราต้องเข้าใจเข้าใจความจริงเห็นความจริงในในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกหรือตัวปัญหากลับเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มนุษย์เนี่ย ไม่ให้ไปดูถึกแต่ให้เราใช้ปัญญาเข้าไปรอบรู้ทุกเนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันนี่ได้กำหนดขอบเขตมันให้ชัดเขตของทุกเขตของปัญหาเนี่ยควรละเช่นความเครียดความรุ่มความโกรธความหดหู่ท้อถอยควรละควรป่อหานควรกาจัด มีโลดคือการสภาพที่หมดปัญหาสภาพที่ทุกข์ดับไปปัญหาหมดไปอันนี้ควรรู้ถึงควรไปให้ถึงมัก・วิธีการนี่เป็นทางดำเนินเป็นข้อปฏิบัติภาคลงมือทำภาคปฏิบัติการควรทำควรดาเนินชี้ไปถึงจุดหนึ่รู้ทำข้อเดียวปัญหาหนูไม่ต้องไปทำอะไรเลย ยังรู้ว่ามันคืออะไรเหตุที่ทําให้ขอให้เกิดปัญหาหนูก็ไม่ต้องไปจัดการอะไร เ, เพียงรู้ว่าต้องรักแต่ยังไม่ต้องไปทําอะไรจุดหมายคือการที่ปลอดปัญหาพ้นปัญหาสภาพที่ดับดับไป ห, หนูก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลย น, นูทํางวิธีการลงมือทำภาพปฏิบัติกันหนูก็มาเพิ่มข้อมูลความรู้ การดำดิบที่ถูกต้องเพียงเชื่อมันเกิดวความเพียนจต่ความเจ้ากราหนูทำสามทางหนึ่งด้านพฤติกรรให้ดำเนินที่ถูกต้องหนด้านสภาพจิตใจหนูต้องพุทธให้ได้ทั้งคุณภาพทั้งสมรรถภาพด้านทัศนะความเห็นเพิ่มคูนข้อมูลตามมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรก็มองเป็นมองสิ่งทั้งหลายตามความเห็น อย่างมองหรือคิดต่อสิ่งางหลายตามใจที่เราอยากมันเป็นอย่างไรแช่ไหนรื้เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วจะจัดการจะ้อันนคือวิธีการข้าโลดดครับพาหนูเข้าใจกระบวนการสัจากความจริงอย่างนี้ไปจริงๆแล้ว16ปีที่ผ่านมาหนูได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะ ฉันถึงบอกว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อหนูเอามาพิจารณ้เจ็ดเจ็ดพุทหนูจะได้วางท่าทีและและมันจะได้ชัดเจนต่อชีบางครั้งหนูอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มันกลับมาหนูต้องตั้งเราจะไม่ตั้งความอยากเลยที่เราคาดเพียงแต่ว่าเรารู้มัน มันเป็นอย่างไรก็ยังถ้าเขาจะย้อนกลับมาก็เป็นเรื่องของเขาเราจะใช้ปัญญาเราตรวจสอบถ้าเขาย้อนกลับมาอย่างคนที่รู้และเข้าใจชีวิตที่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วเราก็เหมือนกันเราก็จะดำเนินชีวิตศึกษาเรียนรู้ไปเพื่อความรู้ความเข้าใจแล้วเราจะ มองทุกอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ผ่านมาหนูหนูจะมองแบบเสพมันมองแบบแค่เอาความรู้สึกไปจับถ้าไปเสพมันไปสึกษาไปเอาความรู้สึกไปจับหนูก็ได้แค่ชอบก็ไม่ชอบไหนไหนไม่ชอบหนูก็อยากจะ่ผักออกไหนไหนชอบหนูก็อยากเอาตัวเข้าไปเกี่ยวต่อไปหนูมองทุกอย่างมองแบบเป็นกรณีศึกษาคือใช้ปัญญาไปศึกษาไปตรวจสอบไปเรียนรู้ แล้วก็มองกระแสะชีวิตอย่างเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วเขา้าเขา้าเข้าใจแล้วศึกษามไม่เป็นปัญหาเขาจะไปเกี่ยวข้องผีคนเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาอะไรก็เรื่อง แ, แต่เขาย้อนกลับมาเราจะดูอีกทีว่าทัศนคติของเขามันโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคเราไม่คาดหวง แต่ถ้าเขาโอเคอะไรต่างหรือถ้าเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเราทันเราจะไม่หลังเลยเราจะไม่โอเคฉันจอต้องจมอยู่กับมันไห่หนูต้องไม่จมกับมันเพราะการจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปรู้เท่าไหร่แล้วมันไม่ลุกขึ้นมาตื่นตัวมาเรียนรู้ศึกษาว่ามันเปลี่ยนแปลงอีกมากเลยแค่แค่อคติหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปรู้เท่าไหร่อันนี้เป็นเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้ว นั้นมันเปลี่ยนแปลงไมรู้เท่าไหรแล้วสถานการมันไปยังไงก็ไม่รู้แต่การเราจมอยู่กับความรู้สึกอันนี้เสียเวาเราควจะไม่อยู่ตรงนัะเราออกจากความรู้สึกแล้วก็ไปอยู่กับความรู้แล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมารู้ก็คือรู้ความจริงตื่นก็คือไม่จมไม่หลับไม่หลงไม่หลับตื่นขึ้นมามีสติตื่นตัวขึ้นมาไม่ฟังเบิกบานคือเป็นอิสระเสรีภาพ ออกจากความทุกข์ความจากทรมานความกัลป์เป็นผู้เบิกนั้นเราต้องรู้รู้ความิทุกอย่างความจริงมีแค่ไหนพัฒนาปัญญารู้ได้มากเท่าไหร่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะเราใช้ปัญญารู้ไม่ใช่อจใจก็เป็นไรตื่นก็คือไม่ประมาทมัวเมาไม่หลับวสชาการเป็นยังไงก็ตื่นตื่นแล้วก็เบิกบานนี้คือความเป็นอิสระเสรีภาพ ไม่เป็นทาตุกัความหดหูด่ท้อถอยไม่เป็นทาตกับการจมอยู่กับความทุกข์ใจไม่เป็นทาตอยู่กับการอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วสายการผ่านไม่ไปวนวนิจมอยู่แล้ ว, ลวก็ใช้ถามะบายรู้สึกตรงนี้ที่รู้นี่คือดูงจันทร์มันติงก็คือมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่มันมันมันความจริงแค่ไหนก็รู้คามจริง ไม่เอาความเห็นไปเสริมว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ต้องเป็นถ้าเราบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ต้องเป็นอย่างเนี้ยแปลว่าเป็นความเห็นความจริงคือมันเป็นกันอย่างนี้ก็ให้รู้ด้วยนะว่าอ๋อเราเห็นว่าควรเป็นอย่างนี้หรือไม่ควรเป็นอย่างนก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นความสามารถถึงไหมถ้าความสามารถถึงรู้เหตุปัจจัยในการแก้ไหมถ้ารู้แล้วทําได้ก็ทำอันนี้เราบอกเราอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ความสามารถไม่ถึง แล้วก็ยั้งไว้ก่อนแล้วก็พัฒนาความสามัถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนอยากจะให้เป็นไปตามที่เราต้องการมนุษย์มันต้องการได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องการก่อนที่จะรู้ความจริงถ้าอย่างนั้นมันจะแก้ปัญหาผิดเหมือนเราไม่รู้เลยคนๆ น, นี้เขามีโทนพฤติกรรมอย่างไรสภาพจิตใจยอย่างไรทัศนคความเห็นอย่างไรเรายังไม่รู้เขาแล้วเราอยากจะให้เขาเป็น โอโหยากเลยหนึ่งยังไม่รู้ความจริงสองเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอ <meu S 1> ันนี้แปลว่าไม่รู้สองส่วนไม่รู้ทั้งกระแสชีวิตของเขาทั <meu S 1> ้งพฤติกรรมก็ไม่รู้จิตใจก็ไม่รู้ทัศนะความเห็นก็ไม่รู้แต่เรายังอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอันนี้แปลว่าไม่รู้สองด้านเลยนะทั้งด้านที่จริงอ่ะพฤติกรรมด้านหนึ่งจิตใจด้านหนึ่งทัศนคความเห็นด้านหนึ่งทั้งสาและยังอยากให้อยากให้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ อยากให้เขามีจิตใจอยู่แบบนี้อยากให้เขามีความเหม็อนอย่างนี้โอ้โหมันมั น, ม, น, ม, นมันเกินความสามารถแต่ถ้าปัญญาเราไปว่าอย่างเห็นหนูมีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นคนมีพฤติกรรมแสดงออกมาทางกายทางวาจาอาชีพยอย่างไรรู้พฤติกรรมรู้สภาพจิตใจว่าด้านคุณภาพเป็นยังไงสมรรถภาพของจิตเป็นยังไงด้านฐานความสุขหรือความทุกข์ของจิตใจอ ย, อย่างไรกัน ทัศนคความเห็นของหนูหนูมีทัศนคความเห็อนอย่างไงในทัศน์ในการมองโลกและมองชีวิตคือมองสีทั้งหลายถ้าจะรู้สามด้านและศักยภาพาพอที่บอกได้เลยเลอ่าหนูที่หนูมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ราะมาอย่าิดใจแบบนี้นะที่หนูมีจิตใจอย่างนี้น ม, านมาจะความเห็นแบบนี้นะวิธีแก้ก็หนูจะเดินออกจากความทุกข์ก็หนูก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาฟังข้อมูลนี่เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนหนูขับรถเนี่ยหนูไม่รู้ว่าไปเที่ยมนี้มันไปยังไงหนูก็เรียนรู้แบบ พ็เรียนรู้แบบที่ขึ้นมาหนูไม่ติดทางขับรถไปหมือหมือโลกหมือโปรเลยนี่คเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงมันชัดแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยมันจะวนหลุดแลความคิดของหนูก็เหมือนกันถ้าหนูยังไม่รู้แล้วหนูจะรีบไปแก้ปัญหาแก้แล้วหนูต้องรู้ก่ะนเมื่อรู้แล้วเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราต้องการให้ความจริงมันเปลี่ยนอย่างนี้ทาได้ไหมสามารถถึงได้เหมือนน้ําน้ํามันไหลลงคลองไหลลงทะเลแต่หนูต้องการเปลี่ยนสายนะศักยภาพพอ เราสามารถเอาน้ำมาทําประโยชน์เกษตรกรรมได้พานิเยกรรมได้อุตสาหกรรมได้คมนาคมได้เนี่ยมันทาได้หมดเลยถ้ารู้แล้วเข้าใจนี่คือความรูานี่เหมือนกันหนู ย, ย้อนกลับไปดูแฟนอดีตแฟนโอเคพฤติกรรมก็เป็นนี้มาจากจิตใจนี้มาจากความเห็นหนึ่นนเงเขาต้องการไปทดสอบชีวิตของเขาอย่างนี้เขา <Okay. S 1> ขออยัางไม่เข้าใจโอเคปล่อยสักวันนึงถ้าเราหนูหนูเป็นคนที่มีความดีมีศักยภาพมีกำลังกุศล ความดีที่หนูทำเป็นกุศลมันเป็นอย่างงี้ถ้ากุศลหนูเนี่ยเป็นกุศลที่ดีดีพอคนที่กุศลไม่พอเขาก็อยู่กันหนูไม่ได้แต่ถ้าหนูกุศลไม่ดีกุศลต่ำหมดับเขากุศลมากหนูก็อยู่เขไม่ได้ถ้ามันสมดุลกันต่างหากันอยู่ด้วยกัศรัทธามันความเชื่อมั่นมันสมดุลกันความเพียรพยายามมันก็สมดุลกันสติมันก็สมดุลกัน ความตั้งมั่นแห่งจิตความอดทนมันก็สมดุลกันปัญญามันก็สมดุลกันถ้าหนูสมดุลห้าด้านเนี่ย <S <S มันเจอกันทุกชาติแล้วเกี่ยวข้องกันทุกชาติที่ประอิญมนุษย์มันไม่ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะพบกันทุกชาติก็ได้แต่ว่าหนูฝึกห้าด้านเนี่ยด้านความเชื่อมัน่นด้านความก ล, กล้ากล้าด้านสติด้านความตั้งมัน่นแห่งจิต ด, ด้านปัญญาให้ได้ดุลยภาพให้สมดุลกันหนูเจอกันทุกชาติก็ได้มันมีวิธีเยอะ จะคบกันข้ามชาติก็ได้จะคบเฉพาะชาติก็ได้จะคบแค่หกเดือนก็ได้ปีนึงก็ได้สองปีก็ได้มันมีวิธีหมดถ้าหนูเข้าใจถ้าเข้าใจเนะี่หนูจะคบกับใครได้กี่วันก็ได้มันสามารถทําได้จะให้มีความสุขก็ได้จะให้มีความทุกข์ก็ได้จะให้สมหวังผิดหวังมันทําได้หมดถ้าปัญญาถึงนี้เนะี้นี่ยรายละเอียดมันเยอะแต่ประเด็นว่าเราฝึกตัวนี้ให้ถึงไหมถ้าถึงมันได้หมดเลยทุกอย่างมันมีคําตอบตรงที่รู้หรือไม่ ถ้ารู้เนี่ยหนูจัดเจ้าจัดการอะไรก็ได้หนูรู้ในขอบขายของบ้านหนจจูจัดการบ้านได้ดีถ้ารู้ขอบขายในหมู่บ้านหนู จ, จัดการหมู่บ้านได้ดีถ้ารู้ในขอบขายของตำบลหนูก็จัดการตำบลได้ดีของอำเภอของจ <IST> ังหวัดของท่าน<ๆ>ของประเทมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ในโลกใบนี้ถ้าเรารู้จากคนนี้ดีแล้ว จ, จัดการนะแต่ถ้าไม่รู้มันก็ดันกันอย่างนี้แหละอย่างที่เป็นมานี่แหละเพราะเอิอเราไม่ได้มีกระบวนการที่มารู้ แต่ถ้ารู้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่รู้ไอคนรู้ต้องเป็นหัวต้องคอยประคองแล้วก็ต้องคอยบอกแนะนำตรงนี้เป็นเส้จเด่นนี้ฉนั้นตรงนี้ก็เราสามารถมองได้สองมุมที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะกําลังของกูสวนมันไม่เท่แต่บางครั้งเราก็ไม่พอใจกูสวนเราดีเกิดไปสมมติเนี่ย พวกทิพย์หนีไม่พอใจแล้วอยากจะลดกุศลของเราไปไปเพราะเราอยากอยู่กับเจ้าห น, นี้เป็นแต่ว่าอย่างนั้นก็ฝืนทํรมาติแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆอันหลายๆคนทำหนึง่งยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยรู้เนี่ยอไีตสามีของเธอเนี่ยที่เธอจะไปแต่งงานด้วยเนี่ยบุญต่ํากว่าเธอพ่อของสามีบุญก็ต่ำกว่ามากบริวารของเขาก็ต่ํากว่ามากแต่เธอรัก เอาแล้วฉันจะช่วยเธอตั้งกรุณาในใจเลยนะเหนื่อยแน่ถ้าเขาไปในหมู่บ้านนี้ในในครอบครัวนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราละ่ะแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ให้เขาด้วยโอ้โหความสามารถต้องเยอะต้องมีพระเจ้าเป็นที่พึกษาไปเลยไปเสร็จเธอ่าทั้งสามีทั้งพ่อสามีทั้งโอ้โหใช้เวลาตั้งหลายปีที่สุดจริงๆเขานับถือเธอทั้งบ้านอย่างเงี้ยนี้แปลว่า สามีเนี่ยภรรยามีบุญดีมากโดยเฉพาะบุญด้านปัญญาสูงมะแต่ไปเกื้อกูนูนัน้นถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กหนูหนูมีโอกาสฝึกฝนพัฒนานเร่กุศลนร่องปฏิบัติดังนั้เข้าหนูก็มองมนหนูอยากจะจะเลือกใครสักคนก็ได้ถ้ารู้นะถ้ามีปัญญาถึงเนี่ยหนูเห็นไอน้เจ้านี้เป็นคนที่โอเค มันดีหลายด้านแต่ไม่ไม่ดีคือด้านปัญญายัางไม่เท่าไรแต่เราจะสามารถมีพัฒนาไดนะ้พัฒนาทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาได้และเรารู้ว่าคนคนนี้พัฒนาได้ไม่ยากเกินไปเลือกเลย <laughs> เลือกเลยเพรเรามีวิธีการมีแผนที่หนึ่งสองสามปีแต่ถ้าดูแล้วโอ้โหเหนื่อยขึ้นเหนื่อยยากในอันนี้เราก็เป็นนี่เองปัญญามันจะมันจะรู้อย่างก <laughs> ็ไปรู้ลายเอื่อง เพราะจะชัดิเจ้าค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้โอ้โหจมอยู่กับความถูกหรือว่าโอยถูกมากเราค่ายทุกว่าเลยไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะค่ะซึ่งคนทั่วไปคิดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคบกันมานานแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่จิตตกแล้วก็คิดถึงเรื่องอดีตหรือว่าพวงเรื่องอนาคตว่าว่าเอ๊ัดสนใจถูกหรือเปล่า ติอยู่กับอดีตเลยนะค ะ, <ฮ>ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามใช้ปัญญามันตัดคิดว่าเพาเห็นผลที่ตัดสินใจคุยกันว่าจะเลิกคุกันไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าโกรธกันแต่ว่าคิดทบทวนแล้ว <c oughs> ว่าไปต่อไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งจะถูกกันทั้งสองฝ่ายนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปพบคนใหม่แล้วีแต่พอตอนตอนแรกก็อย่างที่พัชร์ ก, กูเลยนะคะว่าตอนแรกคิดว่าจะถอยออกมาเพื่อ มันมาพัฒนาการหลักกันแล้วก็อาจจะกลับไปปิดกันแต่ว่าพอพอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมีมีคนเข้ามาแล้วก็คุยกันเลยรูย้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอที่คิดตอนแรกก็จิตตกแต่ว่าตอนนี้ก็ก็พยายามเข้าใจความจริงมันเป็นยังไงค่ะก<า>็เป็นเรื่องปกติเขาคนเราแค่ปัญหาโดยส่วนใหญ่จะเป็นมันหาทางออกไม่ได้บางคนก็ไปกินยาสูบหรือ บางคนก็ไปพบคนใหม่ไปไปเรียนบางคนต้องเปลี่ยนแล้วแล้ ว, ลว ม, ม, มันมีมันมีมันมีเรื่องจืิงของฝรั่งคนนึงกยออะคบอกว่าอีกค น, นหนึ่งเขาบขาแบบแล้วก็ไปคุย เ, ยเขาบอกว่าทําไม ทำไมแฟนเ้าเนี่ยหมายความว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าทำไมแฟนเขาเป็นคนที่เข้าใจยากเหลือเกินเขาพยายามทำความเข้าใจยังไงเขาไม่เข้าใจทางคนคนนี้ก็บอกว่าอย่าพยายามเข้าใจผู้หญิงแต่จงพยายามว่าจะปฏิบัติอย่งไรกับเธอแค่นี้ก็พอเจ้านี้ก็เลยถามว่าทำไมพี่จึงเ อ, อมีภรรยาหรือเปลี่ยนภรรยามาตั้งสามสี่คน ไปจนนี้เขาบอกนั่นแหละคือคําตอบก็คือเขาก็ไม่เขาไม่สามารถเข้าใจผู้หญิงนะเพราะปัญญาเขาไม่สิงเขาก็เลยไม่เข้าใจเมื่อเขาไม่เข้าใจก็หลังก็เลยบอกว่าอย่าไปเข้าใจเขาก็แล้วกันให้จงพยายามว่าจะทําอย่างไรว่าเธอชอบอะไรก็ทําตามนะทําตามที่ทีนี้ ถึงแม้จะทําตามขนาดนั้นด้วยความไม่เข้าใจอย่างแท้จริงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้าก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผู้หญิงไปเรือยเขาก็เลยถามว่าเอาทาไมคุณต้องเปลี่ยนผู้หญิงไปเรืเ่ยยอยๆก็นี้คือคําตอบมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณไปพยายามเท่าไหร่คุณยิ่งจะไม่เข้าใจอันนี้แปลว่าฝรั่งคิดยังไงก็ไม่เข้าใจซึ่งต่างจากในในคนที่ศึกษาคำสอนจะรู้ดันเดียว หนึง่งผู้ชายที่จะผู้ชายเนี่ยที่จะมาคบกับผู้หญิงต้องรู้ว่าผู้หญิงมีความทุกข์เกีย่างความทุกข์ข้อแรกของผู้หญิงคือถ้าผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเขาจะเลือกคบผู้ชายสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาจะใช้ชีวิตไปกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งเขาต้องเดินออกจากครอบครัวสิ่งแรกๆสถานทัภาพเดิมๆก่อน ดังนั้นนี่เป็นความทุกข์ของผู้หญิงพ่อแรกความวิตกกังวลของผู้หญิงพ่อแรกซึ่งผู้ชายต้องรู้ต้องเรียนรู้ต้องรู้จักผู้ชายคนใดไม่รู้จักความทุกข์คุความว้าเวของผู้หญิงในข้อนี้ก็จะไม่ไม่สร้างความเชื่อมั่นในผู้หญิงฉะนั้นผู้ชายต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่เธอมาครอบฉันเนี่ยเธอตัดสินใจถูกแล้วฉันจะพยายามนำพาชีวิต ของเธอเนี่ยเดินเคียงคู่กันไปโดยจะนิ้ทื่อให้เธอมั่นใจว่าฉันจะไม่ทําให้เธอผิดหวังเธอจะต้องเชื่อมั่นฉันได้ทุกเวลาเนี่ยถ้าสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็สามารถกําจัดทุกข์ให้ของผู้หญิงนั้นได้นี่ข้อแรกข้อที่สองผู้หญิงมีภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายในเดือละครั้งาอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้ดินน้ําไปลวมในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเขาแปรปนูน เมื่อเมื่อร่างกายแปรปรวนก็จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายเครียดง่ายมีตกกังวล ห, หัวถหูท้อถอยเนี่ยผู้ชายต้องรู้จักต้องรู้จักว่าภาวะนี้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหรือมีเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราจะได้ให้กําลังใจเขาอย่างไรเป็น อ, อ, อยู่ใกล้เขาอย่างไรแล้วก็คอยปลอบโลมเขาอย่างไรให้เหตดให้ผลเขาอย่างไร ทำอย่างไรจะทําให้เขาไม่เกิดความเขาทุกข์ทางกายและจิตใจก็ก็ทุกแล้วด้วยเนี่ยทําอย่างไรก็จะได้มีตรงเนี้ยต้องฉลาดในการจัดการอารมณ์กับเขามีผู้ชายต้องฉลาดข้อที่สองข้อที่สามถ้าผู้ชายกับผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างคันมีลูกยิ่งมีลูกเข้าไปแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดภาวะวิตกกังวลสูงใหญ่ตอนเนี้อะาระที่ผู้ชายต้องเก่งต้องฉลาด ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลที่ดีงามถูกต้องให้สภาพจิตใจเขาอย่างไรให้ความเห็นเขาอย่างไรมีการปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเพื่อทรต่อเขาอย่างไรเชื่อมประสานกับเขาอย่างไรเพื่อให้มีผลดีต่อเขาและลูกในท้องไม่ใช่มีผลกระทบต่อเขาและลูกในท้องมันก็จะมีปัญหาผูกพันมาเยอะผู้ชายต้องฉลาดแลข้อทีสาว ประการต่อมาคือว่าข้อที่สี่ก็คือว่าคลอดออกมาแล้วก็ต้องดูแลบุตรยังไงเป็นทุกข์จากการคลอดทุกข์จากการดูแลบุตรผู้ชายก็ต้องเข้าใจว่าจะเป็นมือเป็นเท้าในการช่วยเหลือกันอย่างไรแบ่งเบาภาระเธออย่างไรให้เธอไม่ทุกข์ใจอย่างไรเธอเกิดสุขใจยังไงมีความ อ, อกหุนในครอบครัวอย่างไรท่าแม่และลูกอย่างไรเนี่ยไอตรงนี้ผู้ชายก็ต้องฝึกฝนวัฒนาตนเองเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ต้องปรนเปรอฝ่ายชาย งั้นผู้ชายต้องไม่เอาใจใจตัวเองฉันต้องการเมื่อไหรต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องระวังอย่างเงี้ยต้องดูต้องเข้าใจว่าวาระนี้พร้อมไม่พร้อมอยังไงั้งหลายงพี่ต้นอะไรเนี้ยผู้ชายต้องฉลาดในเรื่องนี้ถ้าเราหาผู้ชายเก่งห้าด้านนี้ได้ฉลาดอย่างนี้ได้โอเคหนูจับมือเลยโอเคฉันจะไปกับคุณดูหายากนะก็ฝันเราก pues, ็ต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องรู้จักความทุกข์ของผู้หญิงให้ถ้าคุณไม่รู้จักความทุกข์ของผูง้หญิงหรือปัญหาของผู้หญิงให้ยาง คุณก็ไม่สมควรมีครอบครัวคุณก็ไม่สมควรมาเป็นสามีตรงเนี้ยเราสามารถคุยบอกเขาได้ว่าในคุณคุณสามารถที่จะเรียนรู้ห้าอย่างความทุกข์ของหญิงได้ไหมและปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติได้คุณมีครอบครัวเถอแต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้คุณอย่ามีเลยคุณจะไสปส ร, ร้างปัญหาครอบครัวชัดเจนไหมล่ะสิ่งนี้ก็ชัดเจนอยู่ไหแล้วะแต่หาไม่ไหายากเพราะไม่เรียนรู้ไม่รู้ไงคนที่รู้เรื่องนี้คือวุติเจ เพอแยกรู้ความจริงของผู้หญิงรู้ความจริงของผู้ชายรู้หลักการที่ผู้หญิงควรปฏิบัติต่อแสามีปฏิบตัติต่อภรรยาภรรยาปฏิบตับบติต่อสามีอยรู้ความจริงพ่อแม่ปฏิบตัติต่อลูกลูกปฏิบตัติต่อพ่อแม่บอกหลักความจริงที่คึงปฏิบัติต่อกันที่จะทําให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุดอย่างไรเห็นไหมล่ะหลักการตรงเนี้เออยังเรารู้เราก็โอเคเวลาคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกโอเคอเ ค, คุณรู้ไหมฉันมีความรู้บางอย่างที่คุณจะมาจีบฉันเขาบอกไม่รู้ถ้าไม่รู้ฉันจะบอกไง ผู้หญิงทั้งโลกเป็นแบบนี้นะให้ข้อมูลก็เลยหนึ่งความว่าเวีจากการต้องออกจากครอบครัวสองความเปลี่ยนแปลงทา ง, งายาสต้องมีลูกต้องมีพ่อต้องดูแลห้าต้องคอยคนลุกเร้มีความทุกคุณแก้ไขได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมคุณรู้ปัญหาแล้วคุณรู้เหตุของปัญหาแล้วคุณจัดการจับปัญหานี้ได้มีวิธีการฉลาดถ้าไม่ฉลาดจต่การคุณต้องไม่โกหกเ มีไปแล้วคุณก็ไปสร้างปัญหากัไหคุณไม่ใช่ผู้นําที่ผู้นําที่ดีต้องมีปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาในการจัดการแก้ไขปัญหาให้กับเขาคุณต้มีดํามีเพื่ออะไรมีกันเพื่อแค่มาเกี่ยวข้องกันแล้วกแค่นั้นเลยชีวิตเนี่ยมันไม่มันไม่โอเคไม่เวิร์คอะมันต้องรู้มากกว่านี้สิถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําครับชัด เ, นน เ, เ <laughs> จนไหมใช่ไหมเออมันต้องชัดเจนอย่างนี้สิถ้าคุณอยากเป็นผู้นํำอะผู้นำคุณต้องชัดเจนแบบนี้สิ นี่คุณไม่รู้อะไรเลยอะแค่รู้หาเงินมันได้ไหมมันไม่ใช่นี่มันนอกตัวนี่อันนี้เรื่องปัญหาในตัวฉันนะเนี่ยปัญหาว่าเวมันในตัวฉันปัญหาความเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็เป็นปัญหาฉันปัญหาฉันมีลูกมันในตัวฉันเลยนะเนี่ยทอดลูกดูแลลูกเนี่ยตลอดถึงฉันต้องคนเปรย์คณเนี่ยมันก็ปัญหาฉันเลยอะคุณต้องรู้ก่อนแต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยอะแต่คุณอยากจะมานําชีวิตฉันไม่วง่เดือย ถ้าาไม่รู้แล้วคุณเรียนรู้มไหมคนเรียนรู้ฉันจะบอกว่าอันนี้บอกนี่ไม่ใช่หลักความเห็นเป็นความจริงคุณเป็นความทุกของเราจริงตรืเนี้ยต้องรู้จากผู้หญิงนี่ไม่เห็นไหมพุทธย่าบอกว่าผู้ชายที่จะมีครอบครัวคุณต้องรู้จากปัญหาของคุณคือต้องรู้จักผู้หญิงก็อต้องอ่านทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจแล้วทัศนคติความเห็นมันเกิด <c oughs> แล้วแก้ปัญหา ท่านเจ้าขาแอย่างเห็นว่าผู้ชายที่เจ้าชู้อย่างนี้แล้วค่ะเหตุผลใจของการทำแบบนั้นก็คือรูว่าเราอาจจะไปเคยชายที่แล้อาจจะไปเคยทำกรรมไว้กับเขาอเองแีว้วแต่ค่ะไม่ใช่จริงๆเจ้าชู้มันมาจากเหตุว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องเป็นปฏิบัติใน้ีกผู้ชายเนี่ยที่เขาเจ้าชูเพราะเขาไม่เข้าใจว่ากรรมที่เขาทาอย่างนี้แล้วมันมีผลเสียค่ะ กรรมของการทําผิดในด้านานี้สมมุติเขาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ยืนยันจะเกีเ่ยวข้องกับเราเลยรับรู้กันเลยแต่เขาไปมีอย่างนี้เขาเรียกเป็นกา ร, รมมีกรรมประเภทนี้เขาเขตผล อ, อคนที่ทํากรรมประเภท น, นี้แสดงให้เห็นนะว่าเขาเป็นคนที่มีความโลเลอำนาจยึดใช้สูง คนที่มีความโรเลททางด้านจิตใจสูงเมื่อเขาทำกรรมประเภทนี้บ่อยๆแลนะ้วะกรรมที่จะให้ผลขเขาในอาภีพนี้หนึ่ง เ, เขาจะเป็นคนที่มีครอบครัวแตกแยกกรรมกรรมีให้ครอบครัวแตกแยกและทรัพย์ที่ได้มาก็จะเป็นคนที่หาทรัพย์ได้ไม่บริบูร์ยกตัวอย่างเช่น เวลาใครเขามาเกี่ยวข้อกันแล้วต่อมาไอ้เจ้านี้ยไดแอบนีใม่เขาได้เงินทองมาเขาควรจะให้หนแต่เขาก็ตัดร้อนส่วนที่หนูควรได้เอาไปให้อีกคนไอ้กรรมที่เขาทาตรงนี้จะเป็นเหตุเป็นเหตุทําให้เขาได้อะไรไม่บริบูรณ์เขาจะจนเรื่องสั้น มีแต่ตัวลัแล้วมันจะมีกรรมอย่างอื่ติต่อมาเยอะแล้วกรรมถ้าให้ผลเขาเ น, นี่ยระพารีเขาหนักเข้าหนักเข้าเขาจะเป็นเขาจะเป็นคนที่ไม่ยินดีในที่จริีหรือไปยินดีเขาไปยินดีในพี่เขาจะกลายเป็นกระเทยบ้างเป็นรักร่วมเทศจากการที่เขาทำกรรมประเภทหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยด้วยด้วยความหมกมุ่นในการ เ <S an> ขาคิดว่ามันเป็นความสุขสูงสุด ข, ข, ของชีวิตหนะักเข้าหนักเข้าจะทําให้ใจก็แปรปวนและวิปริตหนะักเข้าหนักเข้กอาการเป็นคนที่เป็นกระเทยเป็นอะไรไปแล้วก็นะักเข้าหนักเข้ก็จะเป็นคนที่ยินดีให้คนอื่นประตูชาราดเองทงทที่เป็นชายก็อยากให้ผู้ชายมาประตูชาราดเองทำอะไรตัวเองเหมือนในตัวเด็กไปทำอะไรกรรมหนึงเขาไม่รู้ ถ้าเขารู้ว่ามันรายละเอียดมันเยอะถ้าเขารู้กรรมอย่างนี้เขาจะไม่ทํางินทั้งหมดเขาจะทําเป็นแต่ละคนเช่นถ้าเลิกกับคนนี้แล้วไปเกี่ยวข้องอื่นเป็นคนคนแล้วประกาศยืนยันถ้าเกิดแบบนี้ไม่เป็นแต่ถ้าหากเขาขืนทําลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆกรรมที้ให้ผลเขาจะกลายเป็นคนโลเลยทําเพศมีเสียหายเยอะดันั้นโดยส่วนใหญ่มาจะปฏิบัติกรรมเกิด อ, ดอดีตก็มีผลเล็กน้อย นั้นหนูจะสังเกตว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมฟรีเซ็กหลายต้นกระเวยเพราะกรรมตัวนี้มันให้ผลการถึนันให้ผลแม้การเราเียนว่ายายเกิดเราก็จะกลายเป็นคนประเทศนี้เปน็นเยอะสังคมที่ที่ผิดกรรมเมียมากในประเทศไหนผิดการาเมยมากประเทศนั้นก็จะมีพวกหลักวงเพศพวกท เกม king เกม queen ทังุกทั้ง ก, กรยทั้งคอมดีอะไรเยอะแยะหมดเล ย, เ ย, ยนี่ปกรให้ ม, ใหมันให้ผลในปัจจุบันเนี่ยมันจ่ให้ผลในในอนาคตันไกลอะไรเลยแต่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้สังคมที่ไม่มีปัญญาเข้าใจเหตุเข้าใจผลเห็อก็ไม่ล่นอารมณ์ในเรื่องก็บางค น, ค, ค, นคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้ความไม่รู้รเลยติดอาพรยังอมองยัง วันนีได้ความเยอะเยค่ะติดใจแข็งแรงขึ้นเออดีมีอะไรจะถามห <c oughs> นั่นตรงนี้ก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะไดมองอะไรไปรแยกอันนี้เป็นความเขียนอันนี้เป็นความรู้บางครั้งเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะบอกว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ ถ้าความรู้ประกอบความคิดเห็นก็คือสมมุติว่าหนูรู้เรื่องของแฟนรู้บางส่วนอาจจะรู้แค่ยี่สิบปอร์เซ็นแต่หนูใส่ความเห็นไปแปดสิบเปอร์ซ็นต์อย่างนี้ก็เรียกว่าความรู้ประกอบความคิดเห็นปนกันหมดเลยแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นความเห็นความรู้แต่ถ้าเอาความคิดเห็นประกอบความรู้หนูรู้ทั้งหมดเลย เท่าที่หนูจะสามารถรู้ได้วความรู้ความจริงที่เขาเป็นยังไงพฤติกรรมก็เป็นยังไงการกระทำก็เป็นยังไงทัศนคความเห็นมุมมองอาชีพการงานของเขาสิ่งแวดล้อมเหนูรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ไม่ได้ใส่ความเห็นเลยเสร็จปุ๊บหนูก็มาติ่งความเห็นว่าเนี่ยเท่าที่ประมวลความรู้ทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้ฉันเห็นว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะนั่นพฤติกรรมนี้นี่เป็นความเห็นนะจะถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาความคิดเห็นประกอบ สิ่งที่ควรจะเป็นควรประโยชน์ถ้าเราหนูอยู่กับการที่ว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นหนูก็จะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นความเห็นเป็นความแู้นะครัหนูเห็นอย่างไรหนูรู้อย่างไรเห็นอย่างไงก็ปนกันปนกันเป็เสร็จหนูก็ไปยึดความเห็นไม่ยึดความเห็นส่วนใหญ่แต่ความรู้นิดเดียวก็จะกลายเป็นคนที่ทุกข์เครียดเพราะไม่เข้าใจความจริงทั้งหมดเหล่านี้กลายเป็นความเห็นของหนูไปหมด แต่ถ้าหนูเอาความคิดเห็นประกอบความรู้หนูจะศึกษาอะไรเรียนรู้อะไรเรื่องงานเรื่องคนเรื่องสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วความรู้มาว่าทั้งหมดแล้วก็มีความเห็นประกอบเป็นข้อมูลถ้าหนูอยู่อย่างนี้หนูจะมองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นแล้วก็จะฉลาดในโลกและชีวิตวางท่าทีทางโลกและชีวิตได้หนูก็จะอยู่ในโลกไปนี้โดยที่ไม่เจ็บปวดแล้วก็เรียนรู้โลกแบบนี้ก็รู้เท่าทัน มันเปลี่ยนแปลงยังไงก็รู้แล้วก็แล้วก็จะวางหน้าทีจากใจยังไงคนส่วนใหญ่อยู่ไปเองนะจะรู้อะไรมานิดหน่อยก็ใส่ความเห็นแล้วมาคุยกันได้มากก็เป็นความเห็นแล้วนะครับนะครับก็ใครเห็นเหมือนกันก็ตามที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือชอบสแสดงความเห็นแต่ไม่ชอบสแสวงหาความรู้ยิ่งไปใหญ่อันนี้คือนัำคมไทยชัด อันมีจระเสตทั้งโมรงดีถ้าตราบใดเป็นแบบนี้ก็พัฒทั้งนนเพราะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงเหมือนปัญหาของเราเองถ้าเรารู้ปัญหาทั้งหมดความจริงแค่ไหนเอามาตีแผ่แล้วก็จะทต่นี้เวลาเราช่วยที่ใช้อะไรมันมีฐานข้อมูลบ้างการคิดถแล้วอย่างความคิดถึงอย่างเงี้ยต้องใช้อะไรมาจับหรือว่าต้องคืออย่างนี้หนง ลึกๆจริงๆความรักเนี่ยความรักจริงๆไม่มีมันเป็นแค่ขนาดจิตมันแล้วมันก็บอกมันจัดต้องตัวมันไม่ได้ต้องเข้าใจกันก่อนมันคือการเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยที่หนูยังคิดถึงหรือยังลืมอะไรไม่ ไ, ไม่จำเป็นต้องลืมไม่จำเป็น เพราะว่าสิบหกปีจำมันไม่ได้อยู่นอกตัวเลยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในความทงจำเรียกสัญญาความจำความจำที่จำแล้วแล้วเราระลึกมาแล้วให้ความทกให้ความเพ่อเพ้อหนึ่งให้ความกำนัดยินดีิเพื่อเธอสองให้ความขัดเคืองเครียดกลุ้ม ทำให้ความมัวเมารุ่มหลงให้ความโหโถด้วย ถ, ถอยเป็นตความจําประเภทนี้าภาษาพาก็เรียกประปันจะสัญญาเป็นสัญญาที่ตัวปันคอยปรุงแต่งจิตหมุนจิตทําให้กุ้มทําให้ทุกข์ทำให้เครียดทําให้ยิ่งตระกูลสัญญาเรารู้อย่างเนี้ยสัญญาเหล่าเนี้ยเป็นธรรมที่ควรละไม่ใช่ธรรมที่ควรจเจริญ เป็นสิ่งที่กวรละแต่จะละยังไงเราไม่ต้องไปพยายามละมันให้ให้มีสถ้าเราอยากจะรู้ให้ดึงถ้ามันสมมตินะมันฟุ้งขึ้นมาในจิตปุ๊บตั้งสติเดียวนะไม่เคลิบไปกับมันไม่เพลินไปกับมันไม่อินไปกับมันตั้งสติปุ๊บสมาทานในใจตั้งใจสติว่าบาปเกา่า ความคิดเก่าอกุศลเก่าความรู้สึกไม่ดีเก่าๆจะไม่ให้ไหลเข้ามาสู่กระแสชีวิตของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาทานตัดทิ้สมาทานตัดทิาา้งหแล้วก็ระลึกสิ่งดีๆหมายขึ้มนมาแทนความดีใหม่เรารู้บมเอามาหมุนเอามาไข้ควรมันไม่เห็นมันไม่มีสารละดึงขึ้นมาให้ปัญญาตรวจสอบ ดึงขึ้นมาแค่ปัญญาตรวจสอบให้เขียนว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีมันหมดไปแล้วดับไปแล้วไม่มีอยู่แล้วอย่าหลอกตัวเอง <c oughs> พอเรามาหมุนอย่างเนี้ยพอเริ่มเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่มีมันหมดไปแล้วมันเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเดิมๆเป็นเรืแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงอย่าเพ้อฝันอย่าจินต น, นาการอย่าตกแต่งสร้างจินต น, นาการความทุกไปตัวเองเพราะว่าหมุนอย่างนี้บ่อยๆนะข้าวๆมันหมดอะไรหมดสาระ พอหมดสาระไอ้ตัวตั้นหาไม่มีที่พึ่งไปยึดขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญญามันรู้ทันหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญญารู้ทันหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญญารู้ทันนักฆ้าเข้าระลึกยังไงก็ไม่ทุกระลึกแล้วขำเลยบางทีอมันไม่ทุกเลยตอนนี้ยเอาระลึกขึ้นมาดึงดึงมาดูนะมันเหมือนเราชอบฟังเพลงแล้วเอาเพลงนั้นมาฟังแล้วจับสาระมันเรื่อยๆฟังฟังฟัง รอบหนึ่งฟั ง, ฟงอินหัวดนตรีเพาะนันเพาะแต่เขาไม่เอาเพาะแล้วเว้ยเอาสาระฟังฟองฟังฟังให้ฟังอินเพราะอะไรปัญญาเขาไม่รู้แล้วมันมีเนื้อหาแค่นี้สาระแค่นี้ความดีแค่นี้ให้ความสุขได้ยี่ไม่ดีพอนี่เหมือนกันอยากกลัวมันอย่าหนีมันอย่าหลบมันดึงขึ้นมาใช้สติดึงข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันอยากคิดเรื่องนี้มากดึงมามองมันเลยใช้ปัญญาดูดูดูดูวิจัยตรงไหนหน่าทุกข์ตรงไหน ไม่เห็นมีอะไรเลยหมดสร้างเปล่าไม่มีสาระเหมือนต้นกล้วยฉีดไปไม่มีแก็ดโทษไม่มีสาระเอาหยิบขึ้นมาดูพี่สาระเปนอยู่ตรงไหนให้ความอิ่มใจขนาดไหนให้ความเพลิดเพลินขนาดไหนสุขไหมดีไหมแก่ไหนตั้งให้ถามว่าเครือขูนชีวิตจิตใจไหมเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ที่คุณไม่มีคนมีโทษหรือไม่มีโท ษ, โทษโวิจัยทุกเรื่องไปเลยหนูนะข้าวนะข้าวปัญญาตังางหากเป็นสาระเป็นที่พึ่งนั้นมันจะ อ๋อน้าข้านะคข้าเนะี่ยหนูต้องเพียนทำกันบ้านหน่อดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาวิจัยดึงขึ้นมาวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยบางทีวิจัยแค่ชั่วโมงเดียวเบื่อแล้วห <c oughs> นะคข้าไม่อยากไม่อยากดึงมาวิจัยอีกแล้วจิ๋นโง่อะไรเก็บค้างไว้ทําไมมันเหมือนมันเหมือนเก็บขยนะน้าข้าหนูจะไม่แบกไว้เลยถ้าหนูรู้ว่าในห้องเป็นขยะใหม่ใหม่มัน มันเป็นเพลินไงมันกับขยะนะค้าันเป็นขยะทิ้งแต่ถ้าสาบแรงมันนึกว่าทองไยมันเก็บนะหรืกว่าเพชรมักว่าทองเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่ขยะนี่ว่าแล้วก็จะเคลียร์ออกเคียวนะข้าวนะข้ามันก็จะเหมือนรีลีคข้อมูลปุ๊โอเคที่มันไม่ยอมรีรีคข้อมูลเพราะมันนึกว่ามันมีสารดึงมาวิจัยนะข้าวมันจะไม่โผล่มาเลยนะไมันจะไม่โผล่มาเลยหน้าก็จะไม่โผล่มาเลยก็จะไม่โผล่มา โผล่มาพดียิ้มให้มันแล้วก็ดูโอ้วิจัยศึกษาสาระมันแค่ไหนคุณแค่ไหนโทษแค่ไหนทางออกคนดําเนินยังไงดีกุศลกุศลอกุศลเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นโทษเกื้อกูลชีวิตจิตใจหรือว่าบัณฑ์พรชีวิตจิตใจแยกเข็นหมดเลยมองเห็นไหมเห็นแล้วค่ะได้หลักเลยและวค่ะแต่เราต้องลองฝึกถ้ามีหน้าโผล่ขึ้นมาจะได้ใช้ปัญญาขอ้มิตรค่ะแน่เช่นแหละมันโผล่มาเรื่อยเลย เวลานั่ง น, นิ่งๆก็โผล่พว้ดมาเลยในบางทีโผล่แบบไม่ไติดตังตัวนั่นแหละคบก็อยู่เลยมันโผล่พุดขึ้นมาเลยหลายๆคนเป็นแบบนี้ฉันบอกว่าโผล่ทักทายหน่อยไม่เป็นไรจะเอให้มันนิดนึงทักทายมันหน่อยแล้วก็มาวิจัยอ๋อมีอะไรแต่คนบางคนไม่มีปัญญาจัดการอย่าแปลกว่าทุกคนบางคนจมอยู่กับจมอยู่กับความทุกข์โพลขึ้นมาแล้วเศร้าน้ำตาไหล อยากให้เขามานั่งคู่กับเราขับรถแต่เราพยยามให้จินตนาการนักอยากจะมีบ้างก็ค่ะเนี่ยอาการแบบเนี้ยอย่าอย่าไปอ้อยอิงกับมันอย่าไปเคลิ้มกับมันไอ้อย่างเนี้ยหลอกมันตัวหลอกชัดชัดนะจิตของเราปรงแต่งหลอกบางทีไปเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยอยากเขามายืนคู่เราแล้วดูมันไปถ่ายรูปล้วอยากจะถ่ายรูปคู่กันบางคนจะติดรูปไว้เตี้ก็ค่ะไรสัตว์ละเหมือนคนบ้าดารา โอโในห้องไม่มีอะไรเป็นห้องรูปดาราเต็มไรแต่อดดาราตายมาก็ไปเผา ท, ทําวิทีเผาทําร้องไห้เสียใจาใ บ, บางทีมาหาพระให้พาพักชักบนะงสกุลนะถามว่าใครเป็นญาติอะไรกันรับเป็นอยู่ต่างประเทศเาอ้ยต่างประเทศถเราเป็นญ า, าติครับซึ่งแต่เมื่อไรเขาบอกอฟังเพลงเข้ามาเขาไปดูแสดงดีมากเขารู้จักเราไหม ไม่รู้จ er. ักสาววอะรสักอางโอ้ดีที่สอะเป็นาได้ค่ะ